วีนีตวัตถุเรื่องภิกษุฝันหนึ่งเรื่อง2 6งรสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งน้ำอสุจิเคลื่อนเพราะความฝันท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอบัติสังฆาทิเศตหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระองค์ตรัสว่าภิกษุน้ำอสุจิเคลื่อนเพราะความฝันไม่ต้องอบัติวงเล็บเรื่องที่หนึ่ง